เราเสด็จนตอนเช้าปลุกเสด็ตัวเองไมาใช่ว่าเสด็จนเพื่อเป็นวิธีเอาบุญดลบุศลอื่นๆต้องเป็นเรื่องของเราเรูปไม่เที่ยงจิกลงไปเอตนาไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเอตนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไมา่ใช่ตัวตนสองขานไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเสกหลงไปรูปเกิดขึ้ น, ท, น, น, นทุกโอกาสให้เราได้เห็นเอชาณะเกิดขึ้นทุกโอกาสให้เราได้เห็นสัญญาสังขานวิญญาณเกิดขึ้นในตัวเรานี่จะให้หลัว่าให้หลงเป็นว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ ลูกเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นขันที่มีอยู่ในลูกมันเป็นเวทเป็นน้าที่มีอยู่ในลูกแต่ขันมันเป็นธรรมชาติแต่เมื่อเราไปยึดว่าเราพอเป็นทุกข์เป็นโทษมาเป็นตัวเป็นตน้นเราไปยึดว่าตัวเราก็ต้องเป็นการเกิดเขีย่ยเฉีบตายเกิดดับเกิดดับ เป็นพบเป็นชาติอยู่ที่นี่เซ็งลงไปประมาทเที่ยงเวทนาไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นทีไรแล้วก็เอาไปใช้เพื่อให้เป็นมากเป็นผลถ้ารูปมันเกิดขึ้นท่าวดาที่เป็นมันแสดงออกรูปไม่เที่ยงหนทางไปสูม่มรรคสุผลถ้ารูปสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับรูปมาปเป็นจบเป็นทุกข์ ทางระสู่ความเกิยเจริบตายเราจะเลือกเัา อ, อย่างนี้หราจะเลือกอยางไงตรงนี้เป็นทางอย่าหลงตรงนี้ทางก็คือตรงนี้หัดเดินทางแบบนี้ทางคือวิญญาณจะมาห้ดเดินตรงนี้ไม่มีประโยชน์ชีวิตเราที่มีรูปมีนามมานี่ทางเดินของรูปที่มันผิดทางเดินของรูปที่มันถูก ในขอนหน้านี่ไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนไปกราบไปไหว้ไปเอาอะไรมาเป็นบุญเป็นกุศลบุญเป็นกุศลต้องเอาเอาให้เกิดจากที่นี่เกิดจากกายจากใจเกิดจากรูปจากนามนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องปฏิบัติธรรมก็ปลูกใจตัวเองมีสติไปในกาล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 จบไปจากที่แรกแล้วมีสติไปในกายิงที่เกิดขึ้นกลายเป็นจักตว่าอาการธรรมชาติเป็นบทเรียนไปนเรื่อยๆมีสติไปในกา mm. ก็เห็นจิตที่เหมือนคิดก็ให้รู้สึกตัวความคิดก็เป็นรูปที่มันเกิดขึ้นมาความคิดเน่ยเป็นรูปเป็นอุปทานรูป ยืดความคิดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ในความโกรธโลภหลวงอ่านเรียกว่าอุปทายาลูกรูปพร้อมๆเราเห็นรูปอาการที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นอาการความคิดเกิดขึ้นจากจุตใจเป็นอาการไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์พวกความคิด ให้มีสติตบไฟเสียเดืต้นลมแล้วก็มาไปถึงความเกิดเ จ, เจ็บตายได้มีสติไปในกายอี่เป็นประจ้าให้เราก็มีอาชีพเรื่องนี้พวกเราเป็นในชีวิตนกปวดอาชีพชีคานะทำเป็ น, นเครื่องเลี้ยงชีวิต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 รวันตาลอันนั้นไมนมีค่าอาอันนี้มันป่วยทั้งจิตวิญญาณอะไรมาเป็นตัวเป็นตนปูุ้ชนคือคนป่วยเศรษฐกิจเปสุทุกข์เป็นทุกข์นี่คือปู้ตุชนคือคนป่วยรักเป็ น, น, น, นปชางเป็นดีใจเสียใจนี่คือคนป่วยถ้าป่วยแบบนี้ก็ต้องมีรอวันตาล วันเจ็บวันตายถึงเขาเจ็บก็เจ็บถึงเขาตายก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ถ้าเรายอมจำนนอย่างนี้จะมีค่าะายชีวิตเรามันมีวิธีปฏิบัติตามหลักพระธรรมคาสอนมีผู้ปฏิบัติตามธรรมสามวินัยได้หลุดพ้นเรื่นี้ มาแล้วมากมายแล้วเราก็มาสัมผัส ด, ดูมันต้องไปเชื่ออ้เวลาเรามีสติอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวอะไรเมื่เกิดขึ้นขณะที่รู้สึกตัวมันก็ไม่มีมันจบแล้วถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่หัดไปก็ใช่ไม่เป็นมันมาก่อน เขาถึงก่อนเขาถึงความสุขเขาถึงความทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เสียแล้วเพรไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ ด, ดูแลมันก็เลยแก้อะไรไม่ได้อดเอาทนเอาเวลามันโกะก็อดเอาเวลามันทุกข์ก็อดเอาเวามันเกิดจิตหล่าตั้นหาก็อดเอาทนเอาบางทีก็ทนได้บางทีก็ทนไม่ได้ส่วนมากถ้ามันเข้าถึงตัวแล้ว ก็ทนได้ยอดนั้นคนโลกไข่ไขเจ็บเจอกับใช้ชีวิตที่ผิดพลาดเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อโรคทั้งตัวแล้วก็มีบุคคลที่หนึ่งที่สองมีวัตถุที่ 2, นที่สองหักขึ้นัวอีกป้องกันดีกว่าแจ้งขาิชีวิตเราก็เช่นกัน ของกวยความโลภความหลงความทุกข์ไม่ตกกังวลเศร้าหมองเป็นโลกโลกฐางจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณมีโลกแล้วก็ควบภูมิทั้งหมดโูกก็เป็นโลกรูปโลกนามโลกเมื่อมีโลกก็รูปทุกนามทุก ความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรหน้าแล้วไปเลยถ้ามีโรคถ้าหลงเป็นหลงเลยวะเป็นคนมีโูกแล้วทุกข์เป็นทุกข์แบบเป็นคนมีโูกแล้วเนี่ยเรามีโรคแต่นี้ไม่รักษาก็ยอมรับอยู่ทุกโอกาสวันหนึ่งเกิดดับก็ดับ ทุกข์จิตเอาสงไขทุกข์หลงกี่อาสงไขหลงในค่อยรู้จัดยิ่งตอนรับจริงเรานี้ด้วยควมไม่หลงความทุกข์นี้อยู่เหมือนเฉยห่อยทิ้งไปไม่ตอนรับเป็นผู้ปิดประตูผู้ปิดประตูเรื่องนี้ไม่ใช่ชาวพุท ชาพุทธต้องเปิดประตูต้อนรับเราจะทำความเท็จความจริงความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เมันจริงนี่คือสัจธรรมแต่ปุถุชนปิดประตูซะเป็นผู้ปิดประตูเช่าชาวพุทธบริจดิโนนี่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 รสชาติสติน้อยเหมืนอนหลวงพ่อเทียนว่าแมวตัวน้อยก็จับหนูมาอยู่ บ, บ้างไม่ทําบ้างแมวไม่โตสักทีเหมืนเราเรียนหนังสือท่องบ้างทิ้งไปบ้างท่องไปบ้างทิ้งไปบ้างก็ไม่ติดสักทีแหละจําไม่ได้สักทีหนังสือก็อยู่ในตําราหมด พูดในจำราหมดเวลาจะรู้อะไรอ่านอะไรต้องไปอ่านเอาเปิดหนังสือเอาจะนำมาใช้มาได้สำหรับจิตวิญญาณสำหรับใช้ความแจ่ความเจ็บ ค, ความตายจะไปทำแบบนั้นไม่ได้มันไม่มีจำลาที่ไหนมันเกิดขึ้นมาเองรูปก็มี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 ความเฉลีเท่านําเข้ามายั่งอืนส่วนเวทนานั่นมันไม่สัมผัสไม่ได้ไม่เห็นด้วยตาแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่อยู่สี่พลังสี่แรงงานกับแรงงานเดียวรูปเป็นส่วนเดียวส่วนเวทนาสัญญาเสังขารวิญญาณมันมากกว่ารูปมันก็รูมว่ารูป มันตัวเป็นตนของมันได้เบียดเวียนรูปได้เตินครื่งองโกรธทำให้เบียดเบียนรูปได้รูปมันโกรธไม่เป็นเติมทุกข์ทำให้เกิดเบียดเบียนรูปได้รูปมันทุกข์ไม่เป็นเพิมลกความจางกวาไว้ตกกังบนเส้าหมอ ง, องมันเป็นเวทนามันเบียดเบียนรูปรูปก็สุดโสมง่ายเฮยเกียนตายไปเลย ถ้าเราไม่ฝึกสติเป็นพลังช่วยเหมือนกับโอสุดลักษาโลกจะมันเกิดกับรูป ก, กับเวทนาสัญญาญญเั่นขันปัญญาให้มันถายเสียเหมือนพพุทธเจ้าได้ประกาศว่าโลขยะบรลมาลาภาว่าไม่มีโลกเป็นลาบเป็นประเสฐคือโลกอย่างนี้มีกันทุกคน เราจะไม่รักษาจะถนอมมันไว้หรื อ, อก็เป็นทุกข์เป็นโทษเจ้ตัวเองสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์แล้วผู้ที่เขารักษาสิ่งที่เราโกรธคนนื่นก็ไม่โกรธแล้วเพราะคนรักษาหายแล้วในสิ่งที่โกรธที่ทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั้นมันก็ไม่มีเราไปยืดเอาต่างหากเป็นอุปทานไปยืดเอา บอกว่าเจ้าบอกแล้วว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวตนยังดื้อไปยืดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนกูชอบก็ไม่ชอบกูรักกูเกลียดกูโกรธกรูทึ่ข้าจะตติมันทำตามความไม่ใช่ตัวตนเสียเปียกความชั่วเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่น ไม่ได้ดูตัวเองเลยเสียจจยียท่ทำหลายผิดพาดมาแต่ก่อนไม่รู้แบบปวดบ้าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทำไมอันอื่นเป็นทุกข์สิ่งอื่นเป็นทุกข์ร้อยอรบ้มามากแต่คนอื่นถ้าพวเราเป็นทุกข์นั่นให้ไปชี้ประสาแล้วก็งองตุน แก้ไขตนอยู่เสมอต่นคนอื่นจะแก้ไขได้ไม่ได้มันเมือนยากแต่แก้ไขตนเดียวเนี่ยแก้ขาขได้จะไปเจให้นคนทั้งโลกไม่เห็เขาว่าเราไม่เห็นเขาทำลายเราเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องรักษาตัวเราให้ดีปฏิปธธรรมเนี่ยมันมต้องเป็นเรื่องของไอของมัน เราจะนีไม่พ้นอันเรื่องของโลกนั่นแต่เราจะอยู่เหนือโลกอันที่เราอยู่ในโลกนี้ก็มีอินทร์มีฉันเริญก็มีสุเขาม่ทุก ก, ท ก, ก็ไม่ได้ไม่เสียเราก็จ้องดูเหนือมนันอันสุทุกเร า, มาไม่อยู่แล้วได้เสียเราไปอยู่แล้วอินทร์สันเริญเรามาอยู่ที่นั่นแล้ว เราเห็นว่าเป็นโลกเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแร้วมาเกิดทุกข์กเทือนกับชีวิตเราเพราะเราไม่มีตัวตนอยู่ในรูปแบบ น, นั้นสิ้นชากิไปแล้วสิ้นภบสิ้นชาติไปแล้ ว, ลวจิงสงควรที่จะเป็นมนุษย์ที่เกิดมา ม, มีค่าขึ้นมาแล้วก็มีอยู่จริงในการศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่สูง มันมีเกณฑ์ขี้วัดยกมือขึ้นรู้จักตัวเวลามันชี้ขึ้นมารู้จักตัวเวลากกมันสุก็รู้จักตัวเวลามันทุกก็รู้จักตัวเกิดอะไขึ้นรู้จักตัวรู้จักตัวดูสจยากกันง่ายหนักเป็นเบาถ้าเรามีความรู้จักตัวลงที่ความรู้จักตัวโนชีวิตทั้งชีวิต มีสติตอนนั่นเองมีสติแล้วแล้วอยู่มีสติแล้วอยู่พระพุทธเจ้าปฏิญญานแบบนี้ไม่ได้ปฏิญญาที่ต้นหลองหลังสองต้นที่เมืองอุชินาราสวนมัลลกษัตริย์ตอานั่นเริ่นภาษาคนภาษาธรรมขึ้นอยู่ที่นี่มีสติแล้วแล้วอยู่ เราสุกลดยทุกเสุดาสุกไม่มีทุกไม่มีมีแต่สติเข้าอยู่ที่ไหนสติเนี่ ย, อ ข, ยอขอใครขอกับผูที่เที่ยวเลยไม่ใช่เลยอยู่ที่ตัวเรานี่ทําตามผู้เที่ยวสอนไว้เนี่ยนั่งกู้แขเข้ารู้สึกเหยื่อฉันออกรู้สึกอ๋อนานไหมสิไมการการณูกไป ที่นี่บินธบารีกนงะนักบุญแต่เจ้าอันนี้ทำนำพาให้พูดไม่ใช่จำใครมานะทำนำพาให้พูดให้พูดอย่างนี้ผิดถูกฟังเอาทำดูอย่าไปเอาเหตุเอาผลจากสม อ, องขวบ ค, คิดตัวเองพระเจ้าสอนกาลมนชนอย่าเชื่ออย่าเชื่อ ตอนีเป็นกุศลทำแล้วเป็นกุศลไม่เบียดเบียนตรงไม่บีบเบียนคนอื่นอันนั่นเรียกว่าเป็นธรรมเป็นวินัยถ้าทำจริงแด่ลองไปเป็นการบีบเบียนตัคเลกอื่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยบัณฑิตเขาติเตือนผู้ลู้ตีเตือนอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยพวกกัะลาวาชนเป็นทุกข์ อาจา๋จอนสนใจเวลาตบตรทรถูกกักจนะารณาอธิกากรรมผลมกุลิโคสอนมาสอนเก็เป็นลูกศิษของพวก น, นันเจ้ากะลัมมชนหมู่บ้านกะลัมมชนโอ้พระเจ้าไว้สอนหรอไปสอนแบบไหนลูก ไ, ไ, ไม่เที่ยงเบินาไม่เทียเท่ยงสัญญาไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนหรือใจไม่เที่ยงฉันนั้นเป็นทุกข์ ในเป็นทุกจ์ินไม่ใช่ตัวตนไม่ถือว่าตัวว่าตนของเรากราลมโยนลองกันหนูย่อยยากเละอาจารย์นั่งก็สอนอย่างนั่นอาจารย์นี่ก็สอนอย่างนี้ไม่รู้จงเชื่อใครเจ้าก็ตัดก็เราไม่โวดขึ้นม า, นมาเราด้สวดมนจบลงไปนี่อวันนี้ก็จมก่อนเจเวลา